เพราะความเจริญในธรรมก็มีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รลวมพระพธิยญาณได้นำเสนอเรื่องพะยานมาโดยลำดับตามที่ท่านจำแนกแสดงไว้ในปฏิสัมพิธามักประไตรบิดกก็มีทั้งหมดถึงเจ็ดสิบสองยานไปกัน แต่กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติตํามหลักของอรดิมัคเปลีนแปลงสนการปริมาณของยาลก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของอรดิมัคที่บุคคลเข้าถึงแต่ก็เริ่มต้นจากศีลสมบูรณ์สมาธิพอรประมาณมันก็เกิดเป็นยานดัะดับปัญญาพอรประมาณ แต่ความสมบูรณ์ของยานก็อะเรมกักจะต้องมีความสมบูรณ์ก่อนและจึงสามารถสร้างยานที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้และจากนั้นจิตของท่านก็จะเป็นวิมุตติยานนัทธสนาคือความรู้ความเห็นในจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสก็ได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายกยานข้อที่ ปคืออินริยประโยชปริยัติญาณแต่แก่พระปรีชาญาณที่กำหนดรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทัางหาคำ่าอินทรีย์นั้นที่จริงก็มีหลายนยิยหมือกันแต่ว่าในที่นี้ก็เน้นไปที่อินทรีย์อินีห้าประการซึ่งเป็นธรรมะหลัก อย่าที่เคยกล่าวไว้ในอดีต ก, ก็นานพอสมควรแล้วนะคคือหมายถึงศรัทธาความเชื่อของบุคคลนั้นมีความหยั่งลงมั่นคงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรจะต้องมีการรวมบ่มเพาะขึ้นมาหรือไม่อย่างในกรณีของท่านปัญญวคีนี่มีความชัดเจนว่าสัตินสท่านยังยอ่อนเพราะท่านสูญเสียความไม่ความมั่นใจ แล้วเมื่อผู้เจ้าทรงแสดงอธิบายเหตุผลแล้วก็ยังมีความสงสัยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคของบินทรียคือศรัทธาเนื่องจากศรัทธานั้นจะต้องเป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อแล้วก็เหนือความเปรี่ยนแปลงสงสัยจนสามารถทันจิตใจให้ตั้งมัน่นเราลองสังเกตนะว่าความสงสัยที่มันลึกเนี่ยมันเป็นถึงสังโยชน์ แล้วก็ผ่านความสงสัยระดับนิวรณ์ไปก่อนแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็ขจัดความสงสัยในลักษณะที่เป็นนิโรธคือละเอียดก็จะถึงจุดนั้นก็เป็นประยามกิริย์สีอินทรีย์คือวิริยะความเพียรพยายามในการป้องกันบาปขจัดบาปเจริญกุศลแล้วก็ละกุศลไปรักษากุศล ซึ่งหมายความว่าจะต้องขจัดความเกียดคราในรูปแบบต่างๆออกไปอย่างสิ้นเชิงและจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวความเพียนที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนำบุคคลให้หลุดพ้นจากทุกในระดับต่างๆพอลองสังเกตว่าเอาก็จริงความเพียรตรงนี้ก็คือละ บ, บาปมันเป็นบุญนั่นเองแม้จะพูดถึงสี่ลักษณะ ทีนี้เมื่อบาปที่ยังไม่เกิดก็ถูกป้องกันไว้ที่เกิดแล้วก็ถูกละออกไปบุญที่ยังไม่เกิดก็พยายามไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ในสุตจิใจก็เต็มเรื่อบุญแลบาปบางก็ถูกขจัดออกไปซึ่งก็หมายความว่ากิเลสก็หมดไปจากใจนั่นเองที่ทรงแสดงว่าวิเดยานาตอุกรรมเจติคนรุ่งทุกได้ประความเพียง ข้อต่อไปคือสตินสีอินสีสติความระลึกได้รือทันนึกได้เป็นอาการของจิตที่ระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะสามารถระลึกและวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่ได้เพิ่มกิเลส ข, ขึ้นอย่าไม่มีอะไรก็คือไม่ให้จิตกำหนัดกัดเคือง บ, ง บ, ง บ, ง บ, งบงวกบมเอาในอารมณ์ที่มากระทบ แต่จนสามารถขจัดสติสัมโมราคือความหลงลืมเลอะเลือนเผื่อเร่พรังพลาดตัวอำนาจของสติไปได้แล้สมาธิสีอินทรีย์คือสมาธิซึ่งจะต้องมีพลังในการขาจัดในตอนต้นๆเขาเรียกว่าเจตสวบุปผสมาคือความไม่สงบของจิตพอถึงจุดหนึ่งก็คือขจัดตัว ก, กรรมฉันทันนิวรณ แล้วก็จัดได้ไปโดยลาดับก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องขจัดความเม่สงบ้องจิตได้และปัญญีรียีคือปัญญาซึ่งทาหน้าที่ขจัดโมหะและขจัดอวิชชาตัวนี้คือตัวอย่างเพราะฉนั้นเวลาแสดงธรรมะบางครั้งของพระพุทธเจ้า หรือถ้าคนก็พร้อมหมดทั้งห้าข้อนี่ก็ว่าไปได้เลยแต่บางคนมันไม่พร้อมเช่นว่าศรัทธา ม, มากไปแต่ปัญญาน้อยไปมันก็ต้องไปเพิ่มที่ปัญญาจะก่อนหรือบางทีความเพียรมากไปสมาธิน้อยไปมันก็ต้องไปเพิ่มที่สมาธิแล้วก็ไปปรับที่ตัวความเพียรส่วนสตินั้นเป็นธรรมะที่ตื่นตัวอยู่ตลอด จะได้ส่งแสดงว่าสติโล ก, กสัมมิชากโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกปัญญาเหล่านี้ถ้ามีในตัวคนสมบูรณ์นะมันก็กลายเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอินทรีย์คนอื่นเวลาอบรมสั่งสอนเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นจึงไปอยู่ในตัวทศพลญาณคืญาณที่เป็นกําลังของพระทศพ ล, ลคือพระพุทธเจ้า ทศพลก็แปลว่ามีกำลัง1ิบอีบอย่างก็มีข้อนี้อยู่อีกอย่างหนึ่งก็ต่อไปนั้นอาสยานุสิยญาณเป็นญาณในความรู้จักฉันทะเป็นที่มาหนอนและกิเลสอันหนอนเนื่องของสัตว์ทั้งหลายหมายความเป็นการศึกษาจริตอัธยาศัยจิตสันดานของบุคคลซึ่งเป็นภูมิหลังของคนเหล่านั้น คนนี้สามารถจะสอนได้ยังไงสามารถจะฝึกได้ยังไงตัวอย่างเช่นบุตรในช่างทองคนหนึ่งเป็นหนุ่มรูปงามมากแล้วเกิดสธาเริ่มใสในพุทธศาสนาเขเข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรโดยสัติวริของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็พยายามอบรมสั่งสอนโดยมองเห็นว่าเด็กหนุ่มก็ไปติดความสวยงามต่าง ก็พยายามที่จะสอนให้มองเห็นสังขารร่างกายทั้งหลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโดยประการต่างๆโดยสีโดยสัญญาณโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยผุพโปโลหิตต่างๆเนี่ยจะตั้งฟังแล้วท่านรู้สึกขยะแขยงเขาบอกอารมณ์ไม่เกิดสัปพายาคือไม่ทําใจของท่านให้สงบก็ท่าไม่คิดพลาดคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องหลังเนื้อชอบหลังยาว ครับที่เคยเข้าไปในพิธีกรรมในการบวชพระแล้วเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ประชาบอกให้พระว่าเกซ่าเกซาลุมานาคาดันตาตะโจตะโจดันตานากาลุมาเกซาเนี่ยว่าตามทีละคำแล้วกลับไปกลับมาก็เรียกว่าตามลําดับแล้วก็ย้อนลําดับเดิมทีเดียวเนี่ยตรงนี้ที่จริงไปบอกกตอนที่ปรงผมนาค่ะ คือในขณะที่โปร่งผมผมก็ร่วงลงไปแล้วก็ให้เธอคิดดูผมทีนี้คนบางคนเนี่ยบารมีเขาไม่ได้สร้างมาในทางนั้นเขามองไม่เห็นแล้วเขารู้สึกรังเกียจขยะแขยงรู้สึกพระ อ, อะไรมาพูดก็ไม่รู้่เลยไม่ยอมบวชในที่สุดก็ต้องเคลื่อนย้ายมาอยู่เมื่อตอนเขาปร่งผมแล้วก็มาบวชมามาว่ากันทีหลังด้านแนวตรงเนี้ย บางทีก็ไม่ได้ศึกษาจริตอัธยาศัยของท่านให้ดีคือแน่นอนว่าคนหนุ่มสาวตามปกติแล้วก็สอนเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายเนี่ยดูผมก่อ น, นแล้วขันเป็นต้นเนี่ยมันก็ถูกต้องนะแต่ว่ายิ่งแล้วลึกกว่านั้นเนี่ยพวกจริตอัธยาศัยนิสัยจิตสันดานวาสนาบา ร, รมีของท่านเนี่ยมัน่าจจะมาคนละเรื่องกันเลยเพระาะภาษาริบุตก็เกิด ไม่แน่ใจว่าทำมถึงเป็นเด็กงนี้ก็นำมา้าพระพุธทธเจ้าแต่กระตูนทรงทราบว่าไม่สามารถจะให้ภิกษุรูปนี้นิจิตสงบได้พระพุทธเจ้าเทนที่จะให้ดูเรื่องไม่สวยไม่งามเนี่ยก็ทรงนิรมิต ด, ดอกบัวที่เป็นทองคำเหมือนกับเป็นดอกบัวจริงๆนะฮะแต่มันพริ้วสวยงามมากลวดลายเนี่ยสวยงาม กรีดอะไรกรีดในพิ้วได้อ่ะทีนี้ท่านเป็นนายช่างมาก่อนเป็นนักศิละปะมองท่านก็ตื่นเต้นในงานขีดมือเนี่ยเอขีมือที่มันสวยงามมากแล้วท่านมองในแง่ของความสวยงามหรือแทนที่จะมองในแง่ของความไม่สวยงามเนี่ยมองในความสวยงามนั่นแหละคือแนวตรงนี้ก็คือแนวที่เราพูดว่าอัดยายซื้อขนมยายไหมคอนเจกตีหัวเจกน้ำเข้าหัวน้ำหยอดหู ผลไม้ปลาผลไม้เป็นวิธีฝึกปลือคนอีกวิธีหนึ่งแล้วในที่สุดเนี่ยก็ส่งบันดาลโดยพุทธานุภาพให้รูปของดอกบัวทองคำเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาเริ่มรุ่มรวยจากนี้ก็สอนข้าถึงความจริงก็กลับไปสู่หลักหลักที่พระสารีบุตรสอนนั่นแหละแต่ว่าสอนจากดอกบัวที่สวยก่อนแล้วเปลี่ยนแปลงตัวสวยนั้นให้เสื่อมไป เพระทรงใช้เยอะนะวิธีเนี้ยจะทรงใช้เยอะเพราะอะไรเพราะทรงอาศัยพื้นเพจริตอัตยาศัยว่าสนามบารมีชั้นทะคือความพอใจในธรรมที่มีอยู่ภายในจิตเขาเนี่ยอะไรที่มันถูกถู ก, กจริตของเขาเพราะงัการสอนจึงไม่ไม่มีการลงกลัวนะว่าจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าโดยโครงสร้างจริงๆแล้วมันเป็นลังเนื้อชอบหลังยา ไม่ใช่ว่าจะใช้ไปได้สารพัดนะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นใครก็ต่อไปนั้นก็คือเป็นเป็นญาณประเภทที่เราเรียกว่ายมะกะปฏิหาริยญาณยญาณ น, น, นยมกปฏิหารเป็นเครื่องนำกลับซึ่งปฏิปักษธรรมเป็นคู่ คือจะมกปฏิหารเนี่ยที่จริงตอน ส, สรุปใหม่ๆเนี่ยก็ทรงแสดงนะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครเห็นแล้วแสดงคราวหนึ่งที่ไปโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวันนึงเป็นยานพิเศษที่คนทั่วไปเนี่ยแสดงไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายอื่นก็แสดงไม่ได้เพราะว่าต้องใช้กระสินคู่เจนวนน้าออกมาทาง จมูกด้านหนึ่งไปออกมาจากจมูกด้านหนึ่งน้ำมาจากตาด้านหนึ่งไปออกมาจากตาด้านหนึ่งไงเกอกมาเป็นคู่ๆซึงหมายความว่าในภาคสนามนี้มันต้องเจริญกสินสองกสินคนทั่วไปจะทาไม่ได้ก็ เ, เป็นพุทธญาณโดยเฉพาะผลย ม, มกปฏิหารจึงเป็นญาณที่พิเศษแล้วก็เป็นบารมีธรรมเฉพาะเขาเรียกว่าพุทธบารมีญาณ คือเป็นญาณที่สร้างคนขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําได้ในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าเป็นปฏิหารใหญ่ก็ปรากฏหลักฐานจริงๆเนี่ยก็ทรงทำสองคราวแต่นั้นเองคือตอนสตรูใหม่ใหมในคราวนั้นแล้วก็ตอนทรมานพวกนักบวชนอกาศาสนาที่ท้าทายพระองค์แสดงปฏิหารแข่งกันเคืออาจจะเห็นภาพจิตกรรมฝาผนัง เป็นรูปพระพุทธรูปอยู่ห้ารูปอยู่ตางกิ่งไม้เป็นปางแสดงยมกปฏิหารที่พายใต้ต้นมะม่วงชื่อว่าคันธามะพฤกษ์ที่ต้นมะม่วงชื่อคันธามะพฤกษ์ก็ต่อไปคือมหากรุณาสมาปฏิยานเป็นญาณที่เกิดขึ้นด้วยมหากรุณาสมาบัตดแผ่ไปในสากลในจักรวาลใครปรากฏในข่ายพยานก็เสด็จไปโปรด วันนี้จะมีย่อยออกไปอีกเป็นนันมากในเป็นสามพิธามรคเนี่ยย่อยออกไปเป็นด้านหน้าอะไนะเปองธรรมเยอะก็นานมาหลายปีมาแล้วาาประมาณสักยี่สิบกว่าปีเก็ดนามากรุณาสมมาปฏิญาณทั้งหมดเนี่ยไปอธิบายออกอากาศทางทางยานเกราะเจ็ดเก้าสองคืงมอมพสองในปัจจุบันเนี่ยในาการทีกว่าธรรมบรรยาย อธิบายอยู่ตั้งสิบเอ็ดเดือนครอธิบายทุก ว, วันวันละสิบ้านาทีมันเยอะครบับขอบขายนี่ยเยอะแต่นี่ก็พูดเฉพาะตัวยานไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากม า, ากรุนาที่จริงธรรมะทั้งปวงที่พรงแสดงเนี่ยมันก็เกิดจากม า, ากรุณาของพระองค์เพราะว่าพระพุทธเจา้าเนี่ยที่จริงก็สําเร็จความเป็นพระพุทธเจา้าตั้งแต่ต้นโพแล้ว หมายความว่าต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏหมดพ้นกิเลสในหมดดังแต่ว่าถ้าหยุดตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็เป็นได้แค่ปัจเจกับพุทธเจ้าเพราะว่ากรอบของความเป็นพุทธเจ้าที่เรียกว่าหันตะสมานอมุทธเจ้าเนี่ยคือต้องศัสรูดีศัตรูชอบด้วตนเองแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้ศัรูตามสามารถประดิษฐานเป็นศาสนาแล้วก็สืบต่อกันมา อย่าบ้างชั้นบ้างนะฮะก็แล้วแต่ศา ส, สนาพระพุทธเจ้าบางองค์ก็อยู่ได้นานๆพระองค์ก็อยู่ไม่ค่อยได้นานจากลฐานที่ทรงแสดงแก่ภาษาดิบุตรเนี่ยเราโดยสรุปบอาพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยท่านไม่บัญญัติพระวินัยไว้บางองค์ก็บัญญัติเพราะองค์ที่ไม่บัญญัติพระวินยัยเมื่อพระองค์นิพพานไปเนี่ยภิกษุสามเณรในยุคนั้นยังอยู่ มันก็ต่อกันมาได้จน ก, กว่าจะหมดชุดนั้นแต่ต่อจากนั้นมันก็ต่อไม่ได้เพราะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรพระฉะนัพระพุทธเจ้าจึงกราบถูอันภาษาริบุตรจึงกราบถูนะครับทีเจ้าสรงบรญญตรัติตอนนั้นก็ไม่ได้สรงบรร ญ, ญัติหรอกเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุที่ควรแก่การบรรดัติปริยัยมันต้องอาศัยเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่เป็นเหตุที่ต้องบรรดัญญตมันก็บัร ญ, ญตัตได้แต่ว่าเงื่อนไขมันยังไม่มีเนี่ยที่บัญญัติขึ้นมานี่ไม่ได้ แต่ในสุดก็บัญญัติเป็นรูปของพระวินัยเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระวินัยจะกลายเป็นศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้เจ้านิพพานหรือว่าไม่นิพพานมันก็ไม่ได้แปลอะไระนะครับพระพระเองก็ต้องศึกษาปฏิบัติแล้วจนสัมผัสผลแล้วทำหน้าที่เผยแผ่แล้วก็ดูแลรักษาศา ส, สนาผู้เจ้ายังประทับอยู่ก็ทําอย่างนั้นไม่ประทับอยู่ก็ทําอย่างนั้น พูะเจ้าก็ไม่ได้โดนบันดาลอะไรให้เราบรรลุมรรคผลได้ก็ทรงชี้บอกทรงสั่งสอนทมในฐานะผู้ชี้บอกที่บอกทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทางทุกข์ให้ประการต่อไปก็คือสัพพัญญุตญาณเป็นญาณที่ทรงรู้สิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงก็แนวเนี่ยแนวสมันตะจกักษุวันก่อนจะเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้า ตรงนี้ถ้าเป็นของพระปัจเจกาพุทธเจ้าก็เรียกว่าปัจเจโ้โพุทธญาณหมายความว่าปรญาณที่จะรู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ตามความเป็นจริงแล้วก็ผ่านกระบวนการญาณสามนะแล้วถ้าเราเรียกใ น, ในแนวข้องตาเราก็เรียกว่ามางอสมันตรจักสุคือตัวสัพพยุตญาณ แล้วข้อต่อไปก็คืออนนาวรณญาณอันนี้คําโบราณเนี่ยได้ยินบ่อยเป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าว่าที่ไม่มีอะไรสามารถปิดกั้นได้นะคือทรงต้องการจะรู้ก็รู้ทันทีเลยไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอะไรปิดกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงรู้ญาณเหล่านี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคร แต่เราจะเห็นว่าในสองข้อแรกคืออินสียาปโยปริยัติยาเนี่ยรู้พื้นฐานจาริตอาทยาสายัยนิสัยของคนเราอยู่ร่วมกับคนเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใต้ปกครองเป็นเพื่อนผูงกันก็ตามมันต้องรู้พื้นฐานของเขารู้ลักษณะนิสัยใจคอของเขาเป็นยังไงเรื่องความเชื่อเรื่องนั้นเขาเชื่อเป็นยังไงเรื่องความเพียรก็เป็นยังไงบ้าง แล้วก็สนใจในเรื่องอะไรเนี่ยหรือคนบางคนเขาอาจจะขยันทํางานแต่งานงานนั้นเนี่ยเขาต้องมีศรัทธาก็ต้องมีชั้นทะก็ต้องมีความพอใจจึงจะทําได้แล้วความเพียนพยายามก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็ปรับได้ทั้งหมดแหละจะไปสอนหนังสือจะบริหารงานบุคคลต่างๆ่างเนี่ยเราก็ตรวจสอบพื้นฐานตรงนี้ครับว่าในในในความเป็นธรรมะในความเป็นเนื้อหาของธรรมะนี่ย มันก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนและมีความหมั่นขยันต่อเนื่องได้หรือเปล่าหรือเป็นคนจับจดไม่เอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังอะไรและเป็นคนมือลอยเลื่อนลอยหรือเปล่าถ้าคนมือลอยเลยืลอ่อนลอยไปทำงานที่ต้องใช้สติมากมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันต้องมีสติสูงทีเดียว ขาดสติก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างบางทีที่ประเทศจีนที่พูดถึงคนตายกันเต้นรำกันสนุกสนานเกิดไฟไหม้รอกตายตั้งสามสี่ร้อยเนี่ยนี่นก็แส ด, ง, ดงอาการของจิตที่มันขาดสติคือเพลินเกินไปไม่การไม่ไม่มีการทวงเกตไม่มีการดูแลแล้วก็ความสงบเนี่ยความตั้งมั่นของจิตที่เป็นยังไง ปัญญาเขาเป็นยังไงเขาเหมาะสมกับเรื่องอะไรทีนี้บางทีก็ดูเราก็ศึกษาในภูมิหลังของคนเหล่านั้นก็เป็นญาณระดับหนึ่งคือเข้าใจในภูมิหลังของคนคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องยอมรับเค้าว่าเขาก็เป็นได้ขนาดนั้นจะเอาอะไรมากไม่ได้ความรู้เขาขนาดนั้นความสามารถขนาดนั้นประสบการณ์ขนาดนั้นเติบโตมาในวัฒนธรรมอย่างนั้น เราจะไปคาดหวังไปมุ่งหวังต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นไปหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อยู่ที่พัฒนาไปตามที่จะพัฒนาได้ศาสนาบา ร, รมีก็เป็นยังไงนะปูมหลังก็เป็นยังไงโดยเฉพาะแม้แต่เราดูภายในวัฒนธรรมของเขาสภาพแวดล้อมของเขานะบุคคลของเขาเนี่ยก็จะทาความเข้าใจกันได้ บางทีเนี่ยเราก็ไปขัดในในเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกันนะทั้งที่เรื่องเดียวกันเนะี่ยเข้าใจไม่ตรงกันแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารกับเขาด้วยภาษาที่คิดว่าเขาเข้าใจตัวเนี้เราเราจึงเห็นว่าพระธรรมาเทศนาแม้แต่คำคำเดียวเนี่ยพระเจ้าก็ทรงยกักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะเลยเพราะคนฟังเขาไม่เข้าใจอะ่ะคําบังคำ เอาไปพูดกับเขาก็ไม่รู้เรื่องมันก็ต้องเปลี่ยนคําสื่อสารด้วยคำที่เขาฟังแล้วรู้เรื่องจึงจะเกิดประโยชน์สมตามที่มุ่งอนุเคราะห์ต่อบุคคลหลันั้ น, น, นทีนี้พยานพยานเหล่าอื่นโดยเฉพาะหมากรุณาสมาปัฏิยานเนี่ยนั่นของพระพุทธเจ้าก็เต็มที่แต่เราก็โดยเสด็จระดับเมตตากรุณาเนี่ยอยู่ร่วม ก, กันกับคนกษัตริย์ทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณา มองคนทั่วไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีปัญหาอะไรเราพอจะช่วยเหลือคือคกูลเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาโดยมุ่งที่จะปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มุ่งจะบำบัดความทุกข์แก่เขาด้วยทีนี้สัพพัญยุตยานี่แน่นอนของพ ร, ระพุทธเจ้าแต่เราก็รู้บางอย่างดูทุกอย่างในบางอย่างได้นะรู้บางอย่างในทุกๆอย่างได้ ก็สามารถที่จะอาศัยเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตได้ระดับหนึ่งก็เป็นการบูชาด้วยการป ฏ, ปฏิบัติตามพระองค์ในลักษณะโดยเสด็จรอยอยู่คนบาสนั่นเทั้งฟังทั้งหลายแต่รมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี